เคยฝึกไหมคุณแล้วไม่แล้วเข้าใจยากเนาะบางคนฟังยี่สิบปีถึงเข้าใจบางคนฟังครั้งเดียวเข้าใจบางคนเข้าใจช้าบางคนเร็วเพราะว่าคนไหนเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติมากนะเพราะอยากปฏิบัติมากพยายามพยายามพยายามจะทําอย่างนั้นพยายามจะทําอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางเข้าใจเลย คนไหนคิดมากก็ไม่มีทางเข้าใจนะคิดมากก็ฟังแล้วก็คิดไปเรื่อยเปรียบเทียบไปเรื่อนยะมีทางเดียวที่จะเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เร็วมากเลยนะหัดสังเกตสภาวะไปนะ ห, หัดสังเกตนะอย่างสภาวะทางใจเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็สุขเดี๋ยวเราก็ทุกข์นะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลนะหน้าที่เราคอยรู้เรื่อยๆนะว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นยังไงบางวันเราตื่นขึ้นมา นะเบิกบานบางวันเคร่งเครียดตอนเช้าเบิกบานใสๆเครียดก็มีเศร้าหมองก็มีจิตใจเราเปลี่ยนทั้งวันนะหัดรู้จักสภาวะต่างๆหัดรู้จักถ้พอเรารู้จักสภาวะแล้วพอสภาวะมันเกิดเนี่ยสติมันจะเกิดเองคุณนเะอาพิชาดูออกเลยมันเกิดเองอ่นะนี่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําให้ถูกนะ ในสามระยะเลยการจเจริญสติจเจริญปัญญาก่อนจะดูก่อนจะปฏิบัติต้องทำให้เป็นทำให้ถูกก่อนจะดูเนี่ยอย่าตั้งท่าดูพวกเราก่อนปฏิบัติชอบตั้งท่าใช่ไหมคุณวัฒนารู้สึกไหมพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บต้องทำขรึมขึมไว้ก่อนขึมให้ได้ที่ก่อนนะมาได้ที่แล้วค่อยๆดูคราวนี้ค่อยหาแล้วว่าจะดูอะไรดียังไม่รู้เลยจะดูอะไร เที่ยวหาพอเจอแล้วนั่งจ้องเขานี่ยไม่ก่อนจะปฏิบัติเนี่ยอย่าตั้งท่าไม่ต้องตั้งท่าเลยความรู้สึกอะไรมันกําลังเกิดอยู่ก็รู้มันไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าระหว่างที่รู้ก็ต้องทําให้ถูกก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้ระวังถล่มเข้าไปสังเกตไหมพวกที่เคยปฏิบัติกุว่านาดูออกไหม เวลาเราจะดูอารมณ์สมมติอารมณ์ทางใจเนี่ยเราก็เชโ ง, งกลงไปดูให้ ใ, ใจเราไหลเข้าไปไหลเข้าไปข้างในให้รีบรู้ทันไวๆนะถ้าไหลลงไปแล้วไปนอนแช่อยู่ข้างในตรงนั้นไม่ดีเลยใช้อะไรไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรงนั้นก่อนจะปฏิบัติก่อนจะรู้ไม่ตั้งท่าระหว่างรู้อย่าถลําเข้าไปนะพอรู้แล้วล่ะรู้แล้วไม่แทรกแซงนะรู้อย่างที่มันเป็นพอละ เช่นจิตใจของเรามีความทุกข์เกิดขึ้นพอเราเห็นว่ามันทุกข์รู้สึกไม่อยากให้มันหายอยากให้หายมันโกรธขึ้นมามนก็อยากให้หายโกรธพอ ม, มันมีความสุขมันมีความสุขอยากให้มันอยู่นานๆเ น, น, นี่ยหาสังเกตใจเราเห็นไหมพอเราสนใจคณ น, น้อยรู้สึกไมใจเราวิ่งไปที่เขาเราลืมตัวเราเอง ค่อยๆหัดสังเกตนะคาจริงไม่ยากเลยบทเรียนในทางศาสนาพุทธมีอยู่สามบทถ้าเรียนครบสามบทแล้วปฏิบัติง่ายบทเรียนที่หนึ่งเรียกว่าศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลศีลนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปขอมาจากพระนะที่วันนี้หลวงตาผนึกพูดมั่งศีลที่เที่ยวไปขอเข้ามาไม่ใช่ศีลตัวจริงหรอกศีลตัวจริงเกิดจากสติเมื่อวานพูดให้ฟังใครที่มาเมื่อวาน วันนี้หลวงตาผนึกท่านก็พูดมีสติแล้วมันมีศีลไม่ใช่ศีลไปเที่ยวขอมาจากพระบทเรียนที่สองเนี่ยเรื่องจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตเรียนจนกระทั่งจิตยังไงจิตตั้งมั่นจิตรู้สึกตัวจิตตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลพ้าจิตตื่นขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สองเราต้องเรียนจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมา บทเรียนที่สามถึงยปัญญาสิกขาหัดตามรู้กายตามรู้ใจจนเข้าใจเข้าใจความจริงว่ากายกขจใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเราะฉะั้นการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปดูกายดูใจค่อยๆเรียนมาตามลําดับแล้วง่ายบางคนไม่สนใจเลยเรื่องจิตสิกขาอยู่ๆก็ลงมือปฏิบัติเลยไปเดินจงกลมแล้วไปหายใจแล้วะ ยังไม่รู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพอลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตจะหนักหนักแน่นแน่นข้นแข็งแข็งแล้วก็ทนทนเอาจิตชนิดนั้นเป็นอกุศลทั้งหมดเลยปฏิบัติแทบตายเลยแล้วกํลาลังทําเรียกว่าอาจินตกรรมกรรมที่ทําบ่อยๆปฏิบัตินึกว่าปฏิบททัติทําเดี๋ยวความจริงกําลังทําอาจินตกรรมที่เจือด้วยโทสะจิตใจเครียดเคียดหนักๆั ก, กปฏิบัติ อาจิน ก, กรรมที่ทำด้วยโทสะจะพาไปตกนรกนะนี่ต้องค่อยคอยเรียนคุณน้อยดูออกไหมออเข้าไปดูมันเมื่อกี้เนี่ยนะส่งใจเข้าไปดูมันให้รู้ทันว่าหลงเข้าไปข้างไหนละนะรู้ทันนะบทเรียนสามบทนะจะไล่ให้ฟังศนะีลสิกขาเบื้องต้นน่ไปขอศีลมาก่อนไม่เป็นไรนะศี 5, ลห้าศีลแปดอะไรแล้วแต่จะขอกัน นะกระทั่งศีล2องยเจ็ดนนะัยังใช้ไม่ได้เลยเป็นศะีลข้างนอกทั้งหมดเลยเป็นศีลที่ว่าทำยังไงจะอยู่กับหมู่คณะแล้อย่างเรียบร้อยศีลนหะนึ่งอย่างเรามีศีลห้าเราก็อยู่กับหมู่ฆระวาสแล้วนะก็ไม่กระทบกระทั่งกันมากนะักเนะี่ยเป็นศีลทางจริยธรรมอยู่กับโลกนะนี่เรียกว่าเป็นศีลภายนอกมันมีศีลอีกชนิดหนึ่งศีล ส, สาหรับผู้ปฏิบัตินะไม่เหมือนกัน ศีล ส, สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอ er er นะินเซียสังวรศีลศีลชนิดนี้จําเป็นต้องเรียนศนะีลชนิดนี้คือจิตใจเป็นปกติจิตใจที่เราเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเรียกว่าจิตมีศีลเพราะฉะนั้นศีลนี้ไม่เหมือนศีล5ศีลแปดมีข้อเดียวเองนะจิตขณะนี้เป็นปกติหรือจิตขณะนี้ผิดปกติถูกกิเลสหลอก นี่ทำยังไงจิตจะเกิดศีลอันนี้หลวงตาพันเกพูดเหมือนกันนะว่ามีสติแล้วม่มีศีลใครมาเรียนเมื่อวานนัตมาก็อาาบอกนะมีสติขึ้นมาแล้วมีศีลหมายความว่าเวลาที่เรามองเห็นอะไรนะตาเรามองเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเราได้รสกายเราสัมผัสนะจิตใจเราก็ไปรู้อารมณ์ทางใจเนะี่ยพอมันมีการกระทบอารมณ์แล้วเนี่ย ความยินดียินร้ายหรือราคะโทสะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ใจเราให้คอยรู้ทันนะคอยรู้เช่นเห็นคนเดินมาแล้วใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขานี่ใจเราอยากดูเขาอยากดูว่าใครมาแมความอยากดูมันเกิดโลภะหรือราคะหรือตัณหามันเกิดมีหลายชื่อวมจริงสภาวะอันเดียวกันคือยินดีในอารมณ์มันนั้น ก็อยากดูพออยากดูก็วิ่งไปดูเขานะความอยากมันครอบงําใจนะจิตไม่มีศีลกิเลสก็ครอบงําใจได้เห็นคนเดินมาดูไปดูไปเอาศัตรูเราเนี่ยความเกลียดมันเกิดขึ้นที่ใจให้เรารู้มีสติรู้ลงไปที่ใจโอ้ใจมันเกลียดเขาละถ้ารู้ไม่ทันในความเกลียดจะครอบงําใจสังเกตไหมเวลาเราเกลียดใครมากๆเราคิดถึงเขาบ่อยรู้สึกไหม เวลาเรารักใครมากๆเราก็คิดถึงเขาบ่อยถ้าเราเฉยๆเนี่ย น, นะก็ไม่ค่อยคิดถึงถ้าเกลียดมากก็คิดบ่อยราคะแรงรักมากจิตก็วิ่งไปหาเขาเรื่อยจิตถูกราคะครอบงำโทสะเกิดขึ้นจิตก็วิ่งไปหาเขาไปคิดถึงเขาอีกแล้วทำจิตเราไม่มีศีลจิตเราเสียความเป็นปกติเสียความเป็นธรรมดาไป จิตของเราโดยธรรมชาติธรรมดามันดีอยู่แล้วนะมันผ่องใสมันประพัฒ์สอนผ่องใสอยู่แล้วแต่ถูกกิเลสหลอกเพราะงั้นถ้าอยากมีศีลนะให้คอยมีสติรู้ใจตัวเองไห้เวลาตามองเห็นหูได้ยินเวลาใจมันทำงานเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันนี่ศีลจะเกิดเองถ้าจิตใจเราไม่ถูกกิเลสรับงำก็เรียกว่าเราจบบทเรียนที่หนึ่ง ของพระพุทธเจ้าแล้วบทเรียนที่สองชื่อว่าจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเราจะเรียนจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยตั้งมัน่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นกุศลด้วยสัมมาสมาธิหมายถึงว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายอกุศลไม่ถือว่าสัมมาสมาธิ ส่วนใหญ่ที่พวกเราทำเนี่ยจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นเรากำหนดลมหายใจหายใจไปแล้วใจเราเคลิม้มริบหรี่ริบหรี่จิตมีโมหะมีความหลงหรือหายใจไปแล้วมมีความสุขยังเพลินเพลิด เ, เ, เพลินอยู่กับความสุขในการปฏิบัติเนี่ยจิตถูกราคะครอบงำอยู่อย่างนี้ก็ไม่ใช่กุศลเลไม่ใช่อารมณ์ฝ่ายกุศล ฉะนั้นเราต้องมาเรียนว่าทำยังไงจิตของเราจะเกิดความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลเนี่ยบทเรียนเรื่องจิตสิกขาจะสอนเรื่องนี้ส่วนบทเรียนเรื่องศีลสิกขาเนี่ยสอนว่าจิตยังไงเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกวิธีทำให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวนี่ง่ายๆนะไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจไม่ต้องไปทาอะไรทั้งสิ้น ให้มีสตินั่นแหละนะรู้ทันใจที่มันไหลไปใจเราไหลไปเรื่อยๆเดี๋ยวไหลไปทางตานะเห็นคนเดินมาไปดูเขาลืมตัวเองเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวไหลไปทางหูฟังไปเรื่อยๆนะฟังแล้วลืมตัวเองรู้สึกไหมเนะี่ยตอนนั่งฟังอาตมาพูดแล้วก็ลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นนะหรือเวลาลงมือปฏิบัติ ไปดูอารมณ์ภายในจิตถลำเข้าไปดูนี่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะคุณน้อยสังเกตไหมมันช้ำเลืองเข้าไปนะเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นพอจะดูออกไหมจิตไหลเข้าไปนะเราใช้สติเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตมันจะตั้งมั่นของมันเองนะมันจะตั้งมั่นเองไม่ใช่ว่าเราบังคับให้ตั้งมั่น ส่วนใหญ่ที่พวกเราปฏิบัติทําสมาธิเราพยายามบังคับใจให้ตั้งมั่นอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอยากให้ตั้งมั่นนั้นมันกิเลสแล้วอยากให้จิตตั้งมันน่นนะจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตไหลไปทางตาจิตไหลไปทางหูจิตไหลไปทํางานทางใจพอรู้ทันแล้วก็จิตจะตั้งมั่นเองจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา สองข้อแล้วนะบทเรียน2บทละบทที่1ศีลศิกขานะเรียนว่าจิตยังไงเป็นปกติไม่ถูกกิเลสหลอกเครื่องมือที่จะใช้ก็คือสติมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลก็เกิดเองนะบทเรียนที่2มีสติรู้ทันจิตใจตัวเองที่มันไม่ตั้งมั่นจิตที่มันไหลไปหาอารมณ์ทางทาวารทั้งหนะใช้สติเหมือนกันนี่แหละ มันมีสติรู้ทานจิต riding. ที่ไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเนะี่ยคุณน้อยรู้สึกไหมจิตมันไม่ตั้งมั่นนะคือมันเกิดความอยากอยากคิดพิจารณา้านะเกิดความอยากครอบงำจิตเนี่ยจิตเราไม่มีศีลแล้วนะ้าจิตไม่มีศีลเนี่ยความอยากมันเกิดที่ใจแล้วมันจะลากให้เราไปอยู่ในโลกของความคิดจิตถูกลากไปอยู่ในความคิดจิตไม่ตั้งมั่นนะขาดสติตัวเดียวนี้ขาดทั้งศีลขาดทั้งสมาธิเลย มีสติตัวเดียวนี้มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิส่วนจะมีปัญญาหรือเปล่าเป็นอีกอันหนึ่งนะปัญญาศิขาต้องเรียนอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นให้คอยสังเกตนะสังเกตกิเลสเกิดที่ใจให้รู้ทันจิตใจของเรามีอาการไหลไปทางสวารทั้งหกให้รู้ทันนะคุณน้อยไหลแว บ, บไปนะให้รู้ทันนะไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้ ทีแรกเนี่ยเราหัดมีสติรู้โอ้เดี๋ยวก็กิเลสมานะพอรู้ทันกิเลสก็ดับเดี๋ยวไหลแวบไปแล้พอรู้ทันก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวไม่มีกิเลสเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดขึ้นมันคือมันจะรู้เห็นความเป็นจริงนะว่าจิตใจเนี่ยเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ อย่างจิตใจมันจะเผลอไปคิดอย่างขณะเนี้ยของคุณน้อยนะมันจะหนีไปคิดห้ามมันไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะให้มันหนีเลยมันหนีของมันเองได้เนี่ยเรื่คือตัวปัญญานะค่อยๆศึกษาไปเราจะเห็นว่ามันทํางานของมันเองเนี่ยเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกสุขอย่างเดียวเราไม่เลือกทุกข์หรอกเดี๋ยวมันก็มีกุศลเดี๋ยวมันก็มีอกุศลเลือกไม่ได้เพราะถ้าเลือกได้เราก็เลือกให้มันมีกุศลอย่างเดียว เดี๋ยวมันก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางหูเดี๋ยวมันก็ไหลไปทาําทงานทางใจเลือกไม่ไดนะ้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกไม่ให้มันไหลไปไหนเลยให้มันตั้งมัน่นรู้สึกตัวมีความสุขอยู่นะเนี่ยเรียกว่าปัญญานะเราจะเห็นว่าโอ้จิตใจเป็นของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะตรงนี้คุณวัฒนะให้คุณอภิชาทันไหม เนื้อปัญญามันเกิดจากการที่เราได้เห็นความจริงนะว่ากายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมคุณน้อยมันหนีไปนะมันหนีไปมันอยากปฏิบัติรู้สึกไหมมันอยากเข้าใจนะพยายามก็ไปตรึกพยายามก็ไปค้นคว้ามันพื้นฐานก็คืออยากเนี่ยจิตเราเสียศีลนแล้ว เสียศีลไปจิตก็ไหลเข้าไปทำงานทางใจขาดความตั้งมั่นเสียสมาธิไปละพอจิตไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้จิตที่จะเกิดปัญญาต้องตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นเหมือนแค่ๆเป็นผู้สังเกตการเราเป็นผู้ใหญ่้ค่ๆเราเป็นผู้ใหญ่เรายืนอยู่บนเนี่ยระดับดฟ้าอย่างเงี้ยดูคนข้างล่างเขาเดินใครไปทำอะไรนะเราดูอยู่ห่างๆแต่เรารู้พฤติกรรมจริงๆของเขา แต่ถ้าเราไปนั่งเฝ้านั่งจ้องเราไม่เห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาเคยมีในพลคนหนึ่งนะไปที่วัดเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาดพลทหารเนี่ยนะมันอยู่ในระเบียบวินัยมากกรมผมไม่เคยมีเรื่องเลยเรียบร้อยบอกว่าเวลาดูว่าเขาเรียบร้อยนะเดินไปดูเขาใช่ไ้มถ้าแน่จริงนะอย่าเดินไปดูสินะแอบแง้มหน้าต่างดู เราจะรู้ว่าลูกน้องมันจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเราจะดูจิตใจของเราก็เหมือนกันดูอยู่ห่างๆอย่าไปจ้องใส่มันตากเหมิงนะถ้าไปจ้องแล้วมันซึมไปเลยเหมือนเราเลี้ยงเด็กอะไปจ้องมันมากๆมันซึมไปเลยงั้นไม่ไม่ไปจ้องใส่มันดูอยู่ห่างๆเนี่ยเห็นไหมโก้น้อยเห็นไหมโก้น้อย <laughs> มันหนีหนปะคือถ้าเรียนตรงนี้ได้นะเรียนศีล จน ก, กระทั่งจิตเราไม่ถูกกิเลสครอบงาเพราะเรามีสตินะเรียนเรื่องสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นโดยการมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปเราจะตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะแล้วก็จะหลงครั้งใหม่ไม่ใช่ฝนะึกเพื่อไม่ให้หลงนะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีศีลตลอดเวลาไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงไม่ได้ฝึกเพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นเดี๋ยวจะเกิดปัญญาตัวจริง ปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดเอาถ้าเรียนได้สามบทตอนนี้เรียนได้สองบทแล้วเนาะศีล ส, สมาธิรู้เรื่องนี้ยังเกิดจากสติปัญญาก็คือเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสติระลึกรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้ไม่ใช่ตั้งท่ารู้ส่วนใหญ่เวลาเราจะปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มจากการตั้งท่าไว้ก่อน สำรวมทำเป็นขลึมล่มๆก่อนสำรวมกายสัมรวมใจเสร็จแล้วมันเลยไม่ได้เคลื่อนไหวให้เราดูตามความเป็นจริงนะให้เราไปจ้องมันตั้งกายก็ผิดความจริงจิตใจก็ผิดความจริงเฉะนั้นก่อนจ ะ, จะเจริญปัญญาเนี่ยอย่าไปทำขลึมอย่าไปตั้งท่าอย่าไปตั้งใจรู้เข้าไปตรงๆเลยระหว่างรู้จิตใจต้องตั้งมั่นอยู่ด้วยไม่ถลาลงไปถลาลงไปเร่ขาดสัมมาสมาธิแนละ้ว ส่วนมากเรากลัวรู้ไม่ชัดครับก่อนมีแม่ชีแม่ชีมาจากวัดอะไรนะผานิตาอะไรที่ชาเชีงะนะยงเซวอะใสยุพุทธนี่แม่ชีนี้แกสอนกรรมฐานอยู่ที่นั้นแกบอกเวลาแกดูจิตเนี่ยแกอยากดูให้ชัดเพราะนั้นแกจะจ้องอะไรอะไรเกิดขึ้นในใจแกจะส่งใจเข้าไปดู นั่งแก้กันอยู่นานแก้กันมาเป็นปีแล้วแกเพิ่งจะเห็นนะว่าแกส่งใจเข้าไปดูพอแกเห็นว่าแกส่งใจเข้าไปดูปุ๊บมันก็หลุดขึ้นมาในฉับพลันเลยตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยแต่การตื่นจะไม่ได้ตื่นถาวรนะตื่นแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับใหม่ล้ะเพราะใจมันจะไหลครั้งใหม่ทำไมใจมันไหลไปอีกเพราะอนุสัยอนุสัยมันยังอยู่มันเคยหลงจิตมันเคยหลงมันก็จะหลงบ่อย จิตมันเคยโกรธมันก็โกรธบ่อยจิตมันเคยโลภมันก็โลภ บ, บ่อยคุณน้อยดูออกไหมหนีไปคิดละนะไม่ห้ามเพราะว่าห้ามไม่ได้ดูออกไหมว่าห้ามไม่ได้เนี่ยดูอย่างนี้จนเกิดปัญญาเห็นความจริงนะว่ากายก็เป็นของควบคุมไม่ได้จิตก็เป็นของควบคุมไม่ได้นะถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ความจริงเลยกลายกับจิตหรือรูปกับ น, นามหรือขันห้าเนี่ยเป็นของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นเราเนี่ยมันจะขาดขาดของมันเองนะคือเราปฏิบัติรำนะมุ่งเป้าหมายแรกเนี่ยต้องเป็นพระโสดาบันอย่าไปคิดว่าไกลพระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกนะพระโสดาบันนี่แค่ละความเห็นผิดนะว่ากายกับใจคือตัวเรานะชื่อมันก็บอกแล้วว่าความเห็นผิดนะอยากละความเห็นผิดมีทางเดียวเห็นให้ถูกสิด อยากเห็นให้ถูกก็มีอยู่ทางเดียวเห็นตามความเป็นจริงสิเห็นอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปบังคับเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นอย่างที่กายมันเป็นเห็นอย่างที่ใจมันเป็นถึงวันหนึ่งก็จะรู้ว่าอ๋อบังคับไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงก็เห็นถูกนะเห็นถูกก็ละความเห็นผิดไปยกตัวอย่างอย่างเราจะดูกายอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่ง แต่เดิมเราคิดว่าร่างกายเนี้ยนานๆป่วยทีหนึง่งนะนานๆจะมีความทุกข์ครั้งหนึง่งนะส่วนใหญ่ไม่ทุกยกเว้นแก่ๆนะหรือว่าไม่สบายอะไรก็ได้รู้สึกว่าทุกบ่อยถ้ายัางแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวก็รู้สึกมันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหรนะ่แต่ถ้าเราหัดจเจริญสติเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ตลอดเวลาเลยนะนั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็เมื่อยใช่หไหมเมื่อยก็ทุกข์แหละเมื่ อ, ยอขยับเปลี่ยนอิริยาบถไปนะแก้เมื่อย หรือเรานั่งอยู่อ้าคันอีกแล้วไหมคันทั้งวันรู้สึกไหมเก่าทุกนี้นึงเก่าเราเราแก้แก้ทุกข์ไปอย่างอัตโนมัติแต่รู้สึกไหมเนี่ยมันหนีทุกข์ไปแล้วเออพอมันคันขึ้นมานะั้นเราแอ บ, บเกา่าเราไม่รู้เนี่ย ว, ว่าเราแอ บ, บเก่าไปแล้วลืมไปมองทุกข์ไม่ออกความจริงแล้วร่างกายเป็นทุกข์ทั้งวันเลย นี่ถ้าเราหัดตามรู้มีสติรู้กายไปเรื่อยๆเราจะเห็นโอ้กายนี้เป็นทุกข์จริงๆนะกายไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์เฉพาะตอนเจ็บป่วยเท่านั้นหรอกถ้าใครเห็นได้อย่างนี้นะถึงจะไม่บรรลุมรรคผลอะไรนะก็ไม่เสียหายได้ประโยชน์เยอะและ้วอย่างเวลาเราจะตายจริงๆนะจะไม่กลุ่มใจเพราะเรารู้ไนะอตัวทุกข์มันจะตายใช่ไมไม่ใช่ไอตัวสุขมันจะตายนี่ย ถ้าเห็นในตัวทุกข์มันจะตายมันตายตายซะได้ก็ดีเนาะไม่เสียดายเนะนี่ยเวลาตายก็ตายอย่างสงบสุขมีสุขคติเป็นที่ไปเห็นไหมแค่ตามรู้ยังไม่บรรลุมากผลก็ได้ประโยชน์แล้วนะเพราะฉะนั้นหัดตามรู้ไปเราจะเห็นเลยโอ้กายถูกความทุกข์เปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวปวดอึปวดฉี่โอ้ยุ่งเดี๋ยวคันนะมีปัญหาตลอดเวลา ส่วนมากในโลกก็หลงเลหลงหลงบําบัดทุกไปโดยไม่ทันรู้นะเลยมองไม่ออกเมื่อยคันก็ขาวก็ขาวอ่ะเมื่อยแล้วเนี่ยขยับไปก็หายแล้วใช่ไหมหายเมื่อยเพราะงั้นทั้งวันนี้นะขยับไปเรื่อยๆเลยดูไม่ออกเลยแต่ว่าไม่ใช่วาไม่ให้ขยับนะให้รู้ซะก่อนว่ามันทุกข์แล้วก็ขยับไปไม่ใช่ทรมานนั่งบังคับตัวเองต่อไปนี้ไม่ขยับนะ นิ่งมากๆแล้วเกิดเป็นง่อยไปมาว่ากันไม่ได้นะกระดุกระดิกไปแต่ว่ากระดุกระดิกด้วยความรู้สึกตัวรู้ทันไปเรื่อยเห็นไหมใจลอยหมดแล้วรู้สึกไหมเอเห็นไหมใจเป็นของบังคับไม่ได้เห็นมพร้อมจะหนีไปเมื่อกี้เรารู้กายแล้วนะเราเห็นว่าเออกายมันเป็นทุกข์นะมารู้ใจล่ะเราจะเห็นว่าใจไม่เที่ยงหรอกจิตใจนะเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลย เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะหัดรู้สึกไปหลายหลคนเลยนะแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนดีบางคนบอกเลยมาสารภาพเลยนะแต่เดิมดิฉันนึกว่าดิฉันเป็นแม่พระนะใจดีคล้ายๆคุณน้อ ย, อยดูแลวัดวาอารามดูแลพระสงฆ์เจ้านะพระกระชมนะเป็นวิสาขาหมายเลขสองอะไรเงี้ยนะชมเนะพราะมาหัดเจริญสติเข้ามาหัดรู้จิตใจตัวเองนะ พเพราะว่าไอ้กิเลสมันเกิดทั้งวันเลยกิเลสเกิดทั้งวันนะเดี๋ยวราคะเดี๋ยวโทสะโดยเฉพาะโมหะโมหะนี่ดูยากโมหะอย่างใจลอยเนี่ยหรือโมหะหลงไปคิดหนะลงไปดูหลงไปฟังหนะลงไปปฏิบัติธรรมนี่โมหะทั้งนั้นนะอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่ก็เพราะโมหะมั น, ะนทำให้ลืมตัวเองไป กำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องจิตไหลไปที่มือที่เท้าที่ท้องนี่โมหะทั้งหมดเลยเรามองไม่ออกถ้ามองออกเ็าไม่มีโมหะเนี่ย ม, ม, ม, ม, มาสารภาพหลายคนนะโดยเฉพาะผู้หญิงบอกเดิมดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นแม่พระดูไปดูมาดิฉันรู้แล้วดิฉันเป็นแม่มดนะเปลี่ยนสถานภาพแล้วนางแม่มดตัวจริงอยู่เนี่ยเดิมดิฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าดิฉันจะขี้อิจฉา มาฝึกกับหลวงพ่อนะทำไมดิฉันกลายเป็นคนขี้อิจฉาไปแล้วแม่นบอกมาโทษใส่หลวงพ่ออีกหาว่าอิจฉาเพราะมาเรียนกับหลวงพ่อบอกแต่ก่อนนะัมันมีกิเลสแต่มันไม่เคยเหน็นก็คิดว่าไม่มีกิเลสพอมามีสติหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองนะจะเห็นว่ากิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันวันหนึนะ่งโดยเฉพาะใจลอยใจลอยนี่เป็นกิเลสหมายเลขหนึ่งนะใครรู้จักใจลอยบ้างเด็กรุ่นใหม่ๆบางคนไม่รู้จักคําว่าใจลอยก็มี ต้องบอกเมอเมเฟ้อ เ, อ, เ อ, อะไรเงี้ยนะผมรู้จักไหมใจลอยใจลอยเคือหลงนั่นแหละเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยนะถ้าใครหลงบ่อยๆ ย, ยุดเคยชินนะความหลงเนี่ยจะส่งไปให้เกิดเป็นเดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดเพราะความหลงถ้าใครเกิดความโลภ บ, บ่อยๆโลภนี่มีหลายแบบนะอยากได้ของคนอื่นก็ได้ นะห่วงลูกห่วงหลานก็โลภนะห่วงสมบัติก็โลภตรกูลโลภนะเห็นไหมคนโบราณบอกโลภแล้วก็ไปนะไปเกิดเป็นเปรตนะเป็นภูมิของเปรตเปรตเขาจะวาดคอยาวๆรู้สึกไหมทําไมคอยาวมากมันห่วงมากห่วงลูก ห, ห่วงหลานมันชงเง้อทั้งวันเลยนะฝึกยืดคอไปเรื่อยๆนะดูหม้ายย่างหม้ายย่างอนะคอเลยยาวขึ้นยาวขึ้นนะ ขยิงพีขยงนะขาเลยยืดค่อยๆปรับตัวนี่ถ้าโทสะเยอะโทสะเยอะจะตกนรกโทสะมีหลายแบบนะอย่างโกรธเข้าอิจฉากลัวกลัวก็เป็นโทสะกังวลใจก็โทสะ น, ะนั้นโทสะก็มีเยอะแยะอิจฉาอาฆาตพยาบาทนี่ตระกูลโทสะทั้งหมดเลยหรือเวลาเราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเราหนักหนั ก, นก อ, นอึดอัด ทุกทรมานใจความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะเท่านั้นในคำพีอภิธรรมจะสอนชัดเลยจิตที่มันอึดอัดขึ้นมามันมีโทมนัตเวทนามันไม่แช่มชื่นใจจิตที่มีโทมนัตเวทนาเนี่ยเกิดกับโทสะมูลจิตเท่านั้นงั้นเราลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ถึงบอกเ่ยปฏิบัติจนตกนรกนะ่ะสังเกตไหมเราตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายแล้ว พอลงมือปฏิบัติเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์มากมายแล้วนี้เราฝึกซ้อมไว้แล้วนะซ้อมให้ใ จ, ใจเราเคยชินที่จะไปตกนรกเราก็นึกว่าดีซะอีกถ้าเราเรียนเรื่องจิตสิกขาเราจะรู้ว่าจิตอย่างนี้เป็นอกุศลแล้วไม่ใช่จิตที่ดีแล้วคอยรู้สึกรู้ทันไปเรื่อยๆหัดรู้ไปหัดรู้ไปทีละอย่างสองอย่างปุมดูออกไหมส่งใจเข้าไปดูมันนะ เมื่อกี้มาไม่ทันมัน้งหลวงพ่อบอกก่อนจะดูเนี่ยนะอย่าตั้งท่าส่วนมากเราปฏิบัติพอคิดถึงการจะปฏิบัติเราเริ่มตั้งท่ารู้สึกไม้มทาเป็นคลึมๆก่อนเราขึมได้ที่แล้วก็ค่อยเริ่มเข้าไปดูว่าจะดูอะไรดีนะเที่ยวหาใหญ่ใส่ๆยอยู่ข้างในใส่ไปใสยมาไปจ้าเอ๋นี่เขานั่งจ้องมันนะถลํา ล, ลงไปจ้องกับมันอยู่นี่หลงล้วนๆเลย จ้องไปจ้องมานึกขึ้นได้อนนี้มันกิเลสเนี่ยเกลียดหน้ามันอีกล้เนี่ยกิเลสซ้อนเข้ามาข้างในอีกตัวแล้วนการปฏิบัติเนี่ยทางผิดมันเยอะเยอะทางถูกมีอันเดียวคือรู้ลูกเดียวอะไรที่เกินจากการรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะก็ผิดพลาดล่ะบางคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะบอกฟังหลวงพ่องงมากนะงงสอนอะไรก็ไม่รู้ บอกบอกให้ก็ได้ว่าสอนอะไรสอนให้หัดรู้สภาวะต่างหาก嘛หัดรู้สภาวะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ไหมนะความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นรู้ไหม